อรู้รักทัก้งหลายตามเรื่องราวที่ฟังมาก็รู้สึกว่าจะเหนือหน่อยอยู่มากว่าแคเพราะท่านบอกคุนมองรายในช่วงระยะเวลาไม่เท่าไรทีร่เกิดไปด้วยกี่ครั้งนี่ว่ากันไปตั้งห้าครั้งแล้วนี่มาก็มาเป็นครั้งที่หกหลังจาก ตายจากพวกขุนเมืองมารในสภาพเป็นพระแล้วก็เป็นพระผู้ทรงฌานยำบรรษายอยู่ที่วัดอะไรดะวัดต้นจันทร์ตอนนั้นจัดว่าเป็นอรัญวาสีในป่าลึกเพราะว่าการอยู่ในเมืองมันขับขังมากไม่เหมาะกัการเจริญภาวนา ตอนหลังตอนแก่นี่สนแสดงว่าการตีเมืองเนี่ยเขาตีกันแล้วมาตายกันตอนหลังตายกันตอนที่เรียกว่าขุนีอินาราทิพย์ขึครองเมืองแล้วเพื่อก็มีอายุแก่มากจึงตายการตายตอนนี้ก่อนหน้าจะตายคนละทั้งหมด ทำเมื่อละทั้งหมดับหมายความละภารักิตทั้งหมดปล่อยให้แต่เรื่องของคนหนุ่มต้้งหน้าจะเรีนสมถะกรรมฐ า, านวิปโฆษณากรรมฐ า, านยังทั้งได้ทรงชาสมาบัติ <c oughs> เมื่อทรงชาสมาบัติแล้วก็ตายตายในชายก็ไปเกิดสุคลม ไปนอนอยู่ที่พรมแบบสบายบายหากินเรื่องพรมตลอดการนี้บาปนี่ความจริงลูกรักจะไม่ดีนะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่ทำความชัว่วนะไม่มีถ้าเราจะชดใช้บาปมันก็ใช้กันไมไหว มันมีทางเดียวในจิตพระพุทธศาสนาคือนีบาปการภาวนาให้จิตตรงตัวการคิดถึงคุณพระรัตนไตรโดยเพราะอย่างยิ่งโลกรักเกิดทั้งหมดหวังว่าต่อไปก็คงหมดต่างคนต่างได้พิญญาสมบัติ การทรงปัญญาสมาบัตินี่ถือว่าเป็นคนธรรมอันเลิศยากที่บุคคลอื่นจะเพึงทําได้ไอ้คําว่าบุคคลอื่นนในหมายความบุคคลภายนอกแต่ความจริงพรามเขาก็ทําได้นะงา <c oughs> นใดเมื่อได้ปัญญาสมาบัติแล้วขอทุกคนจง ร, รักษาปัญญาสมาบัติให้ทรงตัว แลบพยายามรวบรวมบารมีสิบราการไว้ครบถ้วนพยายามตัดสัโยอ์สิบระการตจรณะสิบห้าปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วมีสมัหารสี่ให้ครบถ้วนทรงสี่ให้บริสุทธิ์และมีทติบาสสี่บริสุทธิ์ เมื่อมีอาการทรงตัวอย่างนี้ลูกรักของพ่อทั้งหมดจะไม่ต้องเกิดต่อไปการเกิดอย่างพ่อขุนมังรายไม่เป็นเรื่องจากมังรายแล้วก็เลี่ยรายเลี่ยรร่กันมาเรื่อยๆไม่ได้ความตอนนี้จากพ่อขุนสีเมืองมันแล้วก็เป็นนอนแงะแกะหลับสบายอยู่บนพรม มองดูชาวไทยสมัยพ่อคุณรามกำแหงยาวเหยียดไทยเป็นไทยด้านเหนือพรอคุณรามกำแหงก็วางแผนดีรักษาความเป็นมิตรกับความเป็นไทยกับพ่อขุนเมืองรายแล้วก็พขุน อ, อะไรล่ะเมืองพยาว รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีฝ่ายใต้ตีลงไปถึงสิงคโปร์การตีคราวนั้นก็เป็นการตีไม่ยากเพราะมันเป็นการรวมไทยยังมีการขัดคอกันบ้างก็ที่เมืองกระ บ, บี่เท่านั้นที่รบกันมากหนะัก <c oughs> นอกจากนั้นไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นไส้สึิ เวลาการเตรียมทัพ ก, ก็หันหลังให้แก่เมืองเดิมมาเข้ากับข้าศึกคือพ่อขุนลานคำแหงการยึดอำนาจมันจะเป็นของไม่ยากการเสียเลือดเนื้อ ก, กันก็น้อยมีที่กระบี่เท่านั้นที่เ็าสู้หนักขั้นเบรนนอนพอจะสบายๆก็เกิดเป็นไทยขึ้นมาสองพ่กอีกแล้ว นี่ก็มองมาดูไทยเอ้านี่ไทยเชียงแสนก็ยังไม่อยู่แต่ใช่จะไทยเชียงแสนกับไทยสุโขทัยเป็นไทยเดียวกันก็รู้สึกว่าดีแต่มีไทยขึ้นมาไทยคือไทยทองอไทยที่อะไร่ะอู่ทองเห็นไทยแยกกันเป็นสองไทยแบบนี้ มันก็จะกลายเป็นไม้เรียวหนามที่แยกกลายเป็นอันๆไม่ช้าไม่นานนักเขาก็จะหักทีละซี่สองี่ตอนนี้ถ้าจะไม่ดีสีกัแล้วลูกหลานนี่มันไม่รู้จักที่ประสานกันไม่มีความสามัคคีใ้ความบ้าลาบว่าบ้ายศนี่ไม่เป็นขอไม่ดีบ้าความเป็นใหญ่ มองมามองไปก็เกิดความลำคาญใจท่าจะอยู่ไม่ได้ดา ก, าก็มาดีท่านประกาพร้มท่านก็ไปบอกนี่ท่านโป่ท่านเล่าให้ฟังนะเล่าเรื่องขมิ้นเจ้ามังรายนะไม่ใช่เล่าประวัติคุณพ่อพระเจ้ามังรายเนี่ยถ้าเป็นคนขยันเกิดแต่คนอื่นก็อาจจะขยันเกิดจะขมิเจ้ า, าไไมังรายเหมือนกัน นบพรเจ้าอพระนันทาประกาศพก็บอกว่านี่ก็พรหมจารในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ในประเทศไทยถ้าไทยยังแตกแยกกันอยู่แบบนี้เพียงใดพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีคนนับถือไม่มีคนปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเกิดไม่ได้แค่ <c oughs> นั้นท่านต้องกลับไปรวมไทยให้เป็นไทยเดิมตามเดิมเอาอยู่แล้วท่านองค์นี้ก็ข ย, ยันเตือนจริงๆเลยจะลงมาเองก็ไม่ลงถามว่าจะไปไหนเราบอกโน่นนะไปลงที่อู่ทอง ไปหาทางเข้าครองเมืองให้ได้เนียอว่าเป็นกําลังใหญ่ของเมืองอย่าเพิ่งไปเป็นพระเจ้าแผนดินเข้ามาไปเนื้อถามว่าจะให้ใครมาบ้างแล้วบอกท่านบอกว่าจะจัดเทวดาแล้วก็จัดกรมลงมาตามสมควรนี่เป็นคนจัดมีหน้าที่จัดเดียวคนจะแต่งตั้งเป็นตําแหน่งประธานาธิบดีพรมจัด ก็เพศจัดให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองไม่ทํา <c oughs> นี่คุยได้วยามาตืนต่อว่าสิทามาต่อว่าบอกคนเป็นหน้าที่ของพระเจ้ามังรายเขาเขามีความปรารถนาอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาทําอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังรายไปในตอนนี้นะเป็นนั้นว่าก็ลงมา ต่อมาเขาแนะนำว่าคุณหลวงพระงวัวตอนนี้ก็หาทานที่จะรวมไทยเข้ามาเป็นไทยเดียวกันที่ใครบอกว่าพระเจ้ามังรายองค์นั้นมาเป็นพระเจ้าลิไทยนี่ไม่ใช่ความจริงเป็นตอนเป็นพ่อคุณหลวงพระงวัวนี่รู้สึกว่าเป็นคนใช้วิธีการทั้งสองอย่าง คือรบได้อาวุธแล้วก็รบได้ลิ้นการรบได้ลิ้นนี่ถือว่าเป็นการรบที่มีความสำคัญกว่าการรบด้วยอาวุธเมื่อหาทางไปตีเมืองสุขโขทัยเข้ามารวมกันไม่ได้เมื่อเท้าพระเจ้าทองเขามายึดมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองสน เมื่อหาทางตีเมืองไม่ได้ก็เอาใหม่เย็นจาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราเข้าไปหาพระเจ้าลิไทยว่าคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาเวลานี้พระธรรมวินัยขององค์ตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระจักระจายไปเราควรจะรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมดเป็นหมู่ จะได้เป็นหลักฐานในการสร้างความดีของคนไทยเมื่อเจ้าดิไทยท่านก็เป็นคนดีโอเคด้วยไม่ถือโทษเกล่อเครื่องพ่อการยกทัพไปตีท่านต่อมาก็ได้พาณนนิมนต์พระสง์ให้มาทำการสังขยาาพระไตรปิฎก ตอนนี้ก็ไม่คนจะเรียกว่าสังขยาคือรวบรวมพระธรรมวินยัยใครรู้อะไรใครมีตำราอะไรก็เข้ามาประสานกันแล้วต่อมาก็ราชนาประสงค์ให้ไทยรู้จักกอบาตรู้จักทรรบุญร่างไตรื่นใจภูมิพระร่วงขึ้นมา <c oughs> การร่างใจภูมิพระร่วงในความจริงพระร่วงไม่ได้ทำ เป็นดาสาสนุปธรรมเป็นผู้ประรมแล้วก็มีพระคุณหลวงพระงง่ไปร่วมด้วยเรียกว่าทั้งสุโคไทยลายติยาร่วมมือกันนี่ก็สร้างพระพุทธคินราชสร้างพระุทธคินารสีสร้างพระสักยมณีขึ้นมาเป็นมิ่งขวัญของเมืองไทย เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะอยู่ได้โดยเหตุสามเศร้าเดกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระพุทธจินราชหมายถึงพระมหากษัตริย์พระพุทธจินสีหมายถึงวระศาสนาอรศะกยะมนีหมายถึงชาติ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะการสร้างคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้าวโกศีสักเทวราชให้พระวิศนุกรรมมาช่วยนี่ท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเอาคนตายมาถามดูก็แล้วกัน แล้วก็ต่อมาภายหลังก็มีโอกาสเขารวบรวมไทยให้เป็นไทยเดียวกันเป็นอันว่าสุโ ข, ขทัยกับกรงุงศรีอยุธยาก็เป็นประเทศเดียวกันนี่เปน็นว่ามีหน้าที่รวมไทยกันเท่านั้นเรื่องท่านหลายนอกจากนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสต์เขียนไม้แล้วลถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แต่จะมานั่งพูดเรื่องประวัติศาสตร์ันนี่มันก็เป็นการไม่ดีจะกลายเป็นลื้อฟื้นหาตะเข็บ ด, ดีไม่ดีแล้วจะไปที่มาเข็มเข่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นอนวุวาลูกรักทั้งหลายพระเจ้ามังลายนี่เป็นพระเจ้าจอมเกิดเกิดที่ไรยุ่งทุกที เป็นอันว่ายจะต้องหาทางรวมไทยให้เป็นไทยสร้างความสมัครสมาสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเห็นไหมพระเจ้าเมรายนี่ท่านทําบนจริงๆนะเวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดเวลานี้ก็ดีอ่ะถ้ามาเกิดเวลานี้ถ้าใช้ลัธิรพระเจ้าพรหมมหาราช หรือใช้ใช้รัฐที่พระว ง, วงโรงโรษแล้วก็หัวขาดไปตามๆกันศพที่ฝังเรือศพที่ลอยน้ำศพที่ตายนี่มันจะต้องเกลินกลาดเพราะว่าปรากฏว่ามีไทยขายชาติมีไทยทำลายชาติมีชาติมีไทยรวมความว่าไอ้พวกขอมเก่ามันเข้ามาเกิดในประเทศไทย แล้วมันก็หวังความเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกขอมเก่าวพวกนี้ที่เข้ามาแทเสารีเวลาที่มันพูดมันพูดดีแต่มันทำมันทำเร็ว น, นีสายคนไทยก็ไม่จะไม่ค่อยจำ <c oughs> เจ็บแล้วไม่ค่อยจะจำจะจำ มันจําไม่ได้เพราให้สตังมาอะไรก็เลิกจํากัมนมานั้นจําได้อย่างเดียวจะให้สตงังเพียงเขาให้สตังสิบบาทก็ลงคะแนนให้เขาเขาให้สตังร้อยบาทก็ลงคะแนนให้เขาไม่ได้คิดว่าไอ้การที่เขาให้สตังเรามาเนะี่ยเขาต้องหากําไรชาติจะที่หายไวปนยังไงก็ช่างมัน ค่อยได้ค่ห้ได้สตังก็แล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ที่เด็กเด็กนักศึกษาต้องหนีเข้าป่าก็โดงไปเราก็ไม่โทษว่าเด็กพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นผู้ทําลายชาติอะไรเนี่ยแต่เราจะนึกจะฝันกับไปสยามนั้นอย่างเดียวก็รู้สึกขยาจะผิดต้องมองดูน้ําใจของเขา เพราะว่าน้ำใจของเขาบางคนน่ะก็หวังผิดไปจริงๆก็มีบางคนก็ว่าตามเขาโดยไม่ได้ใช้มันสมองก็มีแต่บางคนคิดเพื่อความหวังดีของชาติอันนี้ก็มีมากที่ว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเคยพบเคยเห็นเคยคุยกัน เจตนาของเขาดีแต่ว่ามันไม่เป็นที่ถูกใจของคนบางพวกเราจะเห็นได้ว่าเจ้าพวกของเก่ามันมาเกิดใครจะทำลายทรัพย์สมบัติส่วนกรลางที่ได้มาจากทรัพย์สินของประชาชนได้เสียบเสียก่อนไอคนพวกนี้มันเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย ทำลายได้ก็ทำลายไปความมั่นคงประเทศชาติจะเพึงมีเพียงใดไม่พึงปรารถนาต้องการอย่างเดียวคือความเป็นใหญ่คิดว่าตัวดีแต่ผู้เดียวอยิ่งกว่านั้นก็มี พ, กพวกชอบกรอบชอบโกยชอบโกงชอบกินชอบอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะนี่เจ้าพวกนี้มันเป็นพวกขอมเก่ามาเกิดทางนั้น ดนันคนไทยที่เป็นไทยลูกรักทั้งหลายจงรักษาความเป็นไทยคือความอิสรภาพไว้ยังไงยังไงไทยเราก็ต้องเป็นไทยแต่ว่าจะลืมมาก่อนที่ไทยเราจะเป็นเอกราชเราต้องมปค่าขิงค่าขอมให้พินาศไปเมื่อในสมัยเดิมฉันไหย มาในสมัยนี้ก็เหมือนกันคําว่าขอมไม่ได้หมายถึงขมินหมายเชื่อชาติไทยเขาเป็นคนไทยจะ่ขายชาตินั่นคือพวกหอมเก่ามาเกิดมันจึงมุ่งทําลายชาติมุ่งทําลายเศรษฐกิจมุ่งทําลายความมั่นคงของชาติเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราช เกิดเมื่อไรขยายดินแดนไทยเมื่อนั้นแล้วก็ต่อมามาเป็นราชการที่สามของกรุงศรีอยธุธยาตอนนี้ก็ขยายอำนาจออกไปมากทำประเทศไทยให้เป็นไทยขึ้นมานี่เป็นอันว่าเกิดแล้วต้องหกครั้งเลยนะครั้งที่เจ็ด เกิดในสมัยรัติการที่ห้าของกรงศรีติยาเขามาเกิดแม้เกิดก่อนในการที่ห้านะตายจากขุนหลวงพระงั่วจากขุนหลวงพระงัวตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเพราะสมัยนั้นท่านยังนิยมการเจริญกรรมาฐานเพราะสายที่บุญบา ร, รมีการสร้างพระพุทธรูปการรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น การสงเคราะห์บรรดาประชาชนการบังหลวงพระศาสนาการถวายสงฆานการจำศีลภาวนากลับลงมาอีกทีคราวนี้บอกไม่เอาแล้วไอ้การเมืองเรื่องมันยุ่งตอนนี้ขอเป็นชาวบ้านบ้างเห็นว่าเป็นชาวบ้านดีกว่าเป็นกษัตริย์ เึงได้เกิดมาเป็นลูกของมาหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษมาหาเศรษฐีท่านดูนั่นก็ชื่อมีนามว่ามีแม่ชื่อว่ามาปิน่นแม่ชื่อว่านะเป็นมาหาเศรษฐีชื่อว่าอาัมไพเป็นแม่ชื่อว่าปิ่นทองพ่อชื่อว่ากองแก้วทำไมนุ่นนะ พ่อชือกกองแก้วพ่อกองแก้วก็เป็นโลกเศรษฐีแม่ปิ่นทองก็เป็นโลกเศรษฐีสองเศรษฐีรวมกันเข้ามาก็เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> มาตอนนี้เห็นว่าผู้คนยากจนเข้นใจความสามารถมีน้อยเกินไปอาศัยความเป็นมหาเศรษฐี สร้างความดีสร้างความสามัคคียื่นโยนทรัพย์สินให้แก่บรรดาประชาชนทั้งหลายให้รู้จักการธรมาหา ก, กินรู้จักเก็บหอมรอมริบได้น้อยใช้น้อยได้มากใช้มากแต่งกำลังใช้แต่พคอควรสงเคราะห์ที่ทำกินสงเคราะห์ในการเกษตรสงเคราะห์ในการเงินในตอนแรกท่านแม่ถึงกก็ถามว่เาเงินไปใช้ที่ไหน ให้เงินไปเท่าไหรก็หมดเท่านั้นในที่สุดก็ต้องบอกความจริงแก่ท่านท่านแม่ท่านก็ไม่ข้อย่พอใจนักแล้วอยู่มาไม่นานนักท่านแม่ท่านก็ออกสแสดงซะเองรู้ความจริงไปดูเข้าบางทีอะไรไม่ชอบใจท่านท่านก็บอกที่ตรงนั้นมันยังไม่ดีสงเคราะห์ก็ยังไม่พอให้การแนะนําไม่ดีให้การศึกษาไม่ดี ด้วยแบบนี้จนทั้งประเทศไทยมีความเป็นปุตแผ่นเน่นหนาบรรดาประชาชนมีความสุขในสมัยราชการที่ห้าข้องกรงศรีตยาในราชการที่ห้านี่มีนามว่ายังไงก็จำไม่ได้แล้วนะที่เกียรติสอบสวนทนพยายนเพราะว่าอะไรเพราะว่าริบไปสอบสวนทนพยายนเขาปรยุงยุ่งแบบเปล่า ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเจ้าเศรษฐีภัยอาเศรษฐีภัยในอายุไม่นานน่อกอายุได้ประมาณไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นานมากนักก็ตายตายไปแล้วก่อนเนี่ยตายเพราะสายการสร้างบุญบา ร, รมีดีก็เป็ น, เ ป, นเป็นบัญชีท่านมหาเศรษฐีท่านนี้ไปเกิดเป็นพรหมตามเดิม อ่าเการที่ห้านี่เห็นว่าเจ้าลั่นทองสักก็ไม่รู้เนื้อตอมาอีกถ้าถ้าขอขอนะถ้ามันพาดไปมาเกิดเป็นสมัยทั้งที่แปดไปอยู่เป็นทุมสมบายสบาย เขาก็บอกว่าเออประเทศไทยมันไม่ดีแล้วล่ะคนรรยงานนะอะไรการอภิรมิสวนไรกันนี่ห่า เ, ออเขาบอกว่าประเทศไทยมันไม่ดีแล้วโ น, น่นไปดูในไทยหลวมหัวหลวมไทยมาแล้วพ ม, ม่ามันกินมาทางโ น, น้นสายเหนือก็เสียไปสายใต้ก็เสียไปอริทวัยก็ไม่ได้เรื่องเอาอีกแล้ว ท่านคนเตือนคือใครรู้ไหมท่านคนเตือนก็คือท่านทาัพบากาพรมตอนนี้พ่อเทวดาจา๋ายัไปนั่งอยู่ทําไมละ่ะในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิด้ความจริงเราเป็นพระเจ้ามังรายก็ลาคาญเหมือนกันนะแค่นั่งให้สบายบายนะัพบากาพรมท่านก็เตือน แต่ว่าท่านเตือนในสมัยที่ตนเองปราถนาพุทธภูมิใช่ไหมพุทธภูมินี่มีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาอย่าส่งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนไทยเป็นสำคัญพาะโทษคนที่มีความนับถือเป็นสำคัญ ถ้าคนล้มไม่เคารพทัาถิ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็อย่าทรงอยู่ไม่ได้ขอเล่าลัดลัดทังการเกิดเป็นอันว่าท่านก็ถามท่านว่าท่านมางรายก็ถามท่านท่านพมังรายนะถามท่านบากาผมว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าไปเกิดเป็นลูกของแม่ทัพพระพันวสา นม่ใช่ พ, พันละศานี่เขาเรียกสององสมเด็จอินทราธิราชก็เรียกว่าพันละศานะหรือว่าพระเจ้าสามัญยาก็เรียกว่าพระพันละพันละศาเหมือนกันพระเจ้าสามัญญาก็คือพระบรมราชาดีสองราชการที่เก้า เป็นอนวุวาอ๋อไปราชการที่เจ็ดนะราชการที่เจ็ดท่กรงศรีตยาเป็นอนวุวาตอนนี้พร่อคุณพ่อบอกให้มาเกิดเป็นโลกแม่ทับท่านมังรายพรมจินิฐานถ้าระกาบอว่าถ้าเป็นเกิดเป็นโลกแม่ทับแล้วก็มันก็ต้องรบ ก, กันหนะัก มักรผมก็ถามว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้หรือว่าจะรักษากําลังใจตนเองให้มีสุขถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจท่านจะเป็นสุขไหมท่านมังรายผมก็ตอบว่าถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจที่นี้เป็นสุขได้อย่างไงท่านฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระศาสนา ว่าถ้าพระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดคนทั้งโลกจะมีความสุขถ้าพระพุทธศาสนาก็ขยายไปได้ทั้งโลกท่านบัณฑาราพงศ์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องไปเกิดท่านต้องไปเกิดในตระกูลของแม่ทัพของพระพรัมาศาพรอสมเด็จสมเพระอินทราชีราช เป็นอันว่าท่านมังรายพรหมก็จําเป็นจะต้องรับคำแล้วถามว่าจะมีใครร่วมไปไหมท้าวกาพรมก็บอกว่านั่นจะจัดเทวดาและพรหมร่วมไปตามสมควราล้วบรรดาลูกที่รักสําหรับเทพน่านนี้ก็หมดสิ้นแล้วนี่อีกฟังหน้าหน้าอื่นหน้าอนาอื่นต่อไปสําหรับเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าจะมากมากอยู่สักหน่อย พ่อก็จะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดเพื่อประโยชน์ในการฟังของลกูกและเรื่องรายเกี่ยวประวัติศาสตร์ที่ก็มีอยู่แล้วพ่อก็จะไม่พูดสำหรับฟันนี้ก็ขอยุติไว้แาเพียงเท่านี้ ข, ขอความสุขสวัสดิพัพนะมงคลสมมูลภพูนผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี